เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หวันที่2 9่สถึงสัมสมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างยืดยาวทั้งในภาคฤษฎศีและภาคปฏิบัติเนื่องจากพุทธพจน์เกี่ยวกับสัมมาสมาธิในฐานะองค์สุดท้ายของมรรคนั้นมุ่งหมายถึงฌานสมาบัติโดยตรงทางฝ่ายนักศึกษาภาคตฤษฎีมักมีความเห็นเป็นสุดตรงสองขั้ว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 หากฤษีชีไพรที่ไหนทำสมาธิได้อุกฤษอาจจะเกิดฌานสี่ล่วงถึงอรูปฌานอันเป็นฌานไม่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่มีสิทธิ์บรร ล, ลุธรรมแม้ถึงชั้นแห่งความเป็นโสดาบันบุคคลเลยเพราะองค์มรึกเพื่อการบรร ล, ลุธรรมไม่ประกอบพร้อมเป็นคุณสมบัติของจิตคือขาดสมาทิฏฐิและสัมมาสติเป็นสาคัญสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่ห